ฉันยังจำได้อย่างแม่นยำทุกตอนทุกวันนี้ฉันเชื่อแล้วว่าเวรกรรมมีจริงแล้วก็ตามมาอย่างรวดเร็วมากทุกอย่างย้อนกลับมาหาตัวเราได้ในทุกเวลาไม่ช้าก็เร็วจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลานานมากแล้วแต่ก็อดที่จะคิดถึงอดีตที่ผ่านมาไม่ได้เมื่อครั้งเยาว์วัยตัวของฉันชอบเล่นทุกอย่างที่เป็นเพื่อนเล่นเห็นเขาเล่นอะไรก็เล่นบ้างนึกว่าทุกเรื่องคือเรื่องสนุกแม้กระทั่งเรื่องการทำร้ายสัตว์ และการฆ่าสัตว์ตัวดิฉันจาได้ว่าตั้งแต่ตอนที่เล็กๆที่ท่าวาสุกรีสมัยนั้นเป็นท้องทุ่งมีสนามบอลที่ได้มาตรฐานอยู่แห่งหนึ่งเท่าที่จาได้ช่วงนั้นน่าจะเป็นฤดูฝนเพราะว่าต้นหญ้าที่สนามบอลสูงจนเลยหัวพวกเรามากพวกเราวิ่งเล่นจับตะกระแตนกันตามภาษาเด็กๆตะกระแตนที่ว่าเป็นตะกระแตนปลาทังกาที่สมัยนี้นามาทอดกินกันอย่างออร่อย พวกเรามีความสุขมากที่ได้วิ่งเล่นไล่จับตั๊ ก, กแตนโดยใช้ไม้ไผ่ยาวๆประมาณตัวเราเองตรงปลายไม้ก็หาถุงพลาสติกเล็กๆผูกไว้กับปลายไม้เช่นกันเพื่อวิ่งไล่จับไม่ว่าจะเป็นแมงปอหรือตั๊ ก, กแตนพวกเราไม่ได้จับเพื่อไปทอดกินแต่เพื่อเล่นสนุกใครจับได้ยิ่งตัวใหญ่ยิ่งดี พอได้ตะกะแตนมาแล้วเราก็หักข้อขาตะกะแตนเน้นว่าข้อขาตะกะแตนพอหักเสร็จก็เอาเชือกไหมพรมที่เราเตรียมไว้ผูกขาตะกะแตนอีกข้างนึงเวลาตะกะแตนบินจะได้จับทันโดยคว้าที่เชือกไหมพรมที่ทำแบบนี้ก็เพื่อแข่งขันกันว่าตะกะแตนของใครจะบินไปได้ไกล ค, คนนั้นก็ชนะนี่คือความสนุกสมัยเด็กๆพวกเราไม่คิดอะไรนอกจากความสนุก และการได้แข่งเพื่อความชนะกันเท่านั้นเวลาผ่านมาเจ็ดปีฉันได้เป็นนักกีฬาของโรงเรียนเล่นกรีทากระบี่กระดบองและวอลเลย์บอลพูดง่ายๆว่าเล่นทุกอย่างที่เป็นกีฬามีอยู่วันหนึ่งฉันจำได้ว่าอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่แล้วก็เป็นวันที่ฉันต้องแข่งกีฬาโรงเรียนพร้อมๆกันหนึ่งสองอย่างวันนั้นฉันไม่ได้วอร์มร่างกายจนเวลาประมาณบ่ายสมเห็นจะได้ฉันต้องโชว์ดาบสองมือ จากนั้นก็ลงแข่งดาบสองมือแล้วก็สุดท้ายคือแข่งวอลเลย์บอลตอนนั้นฉันจำได้ว่าฉันมีสายสินสีเหลืองห้อยคอแล้วก็มีจี้คล้ายกับตระกุดพ่อของฉันบอกว่ามันคือเหล็กไหลตอนนั้นยังไม่เข้าใจว่าเหล็กไหลคืออะไรเหล็กไหลมีขนาดเท่านิ้วก้อยของฉันแต่ว่าสั้นครึ่งหนึ่งของนิ้วก้อยแล้วก็มีทองเคหุ้มไว้เป็น5้าแฉกแน่นหนามาก เหล็กไหลไม่สามารถหลุดออกไปได้นอกเสจากสายสินจะขาดจากการไปทั้งเส้นตอนที่ฉันแข่งดาบสองมือเสร็จฉันรู้สึกเคลียร์แล้วก็เหนื่อยมากแต่ก็ต้องรีบลงมาด้านล่างเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ตรงลงไปยังการแข่งขันวอลเลย์บอลต่อตอนนั้นเองที่อยู่ๆฉันก็คลําหาเหล็กไหลที่คอแล้วก็ต้องตกใจว่ามันหายไปแปลกตรงที่ว่าทองเคที่หุ้มไว้ยังคงอยู่ในสภาพเดิม แต่ทำไมเหล็กไหลข้างในหายไปตอนนั้นไม่คิดอะไรนอกจากว่าต้องรีบหาให้เจอเพราะกลัวพ่อจะว่าพ่อเคยบอกไว้บอกว่าถ้าเราทำตัวไม่ดีมันก็จะไหลไปอยู่กับคนที่ดีแต่ฉันไม่เชื่อเพราะว่ามันไม่น่าที่จะเป็นไปได้ไม่ได้ลบหลู่แต่ไม่เข้าใจเท่านั้นเองฉันกับเพื่อนอีกคนนึงก็ช่วยกันหาแทบทุกที่ที่ฉันไปแต่ก็ไม่เจอ จนสุดท้ายเราก็ต้องเลิกหาเพราะถึงเวลาต้องแข่งวอลเลย์บอลแล้วฉันจึงต้องลงสนามแบบไม่มีกระจิตกระจายจากตอนแรกที่ฉันเชื่อมั่นว่าต้องชนะแต่ว่าวินาทีนั้นกลับบอกความรู้สึกไม่ถูกบวกกับทีมของเราก็อ่อนมากมีแค่ฉันกับเพื่อนอีกคนที่ชื่อเล็กเท่านั้นที่เล่นโอเคเราสองคนคอยประคองลูกที่เพื่อนในทีมทาเสีย แต่ว่าฉันก็รู้ว่าทีมที่ฉันแข่งด้วยมีหลายคนที่เก่งพอสมควรเพราะว่าเราเคยเล่นกันทุกเย็นหลังเลิกเรียนไม่น่าเชื่อว่าการเล่นบอลลีบอลครั้งนี้ทำให้ฉันต้องคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแค่ลูกเสิฟจากฝ่ายตรงข้ามที่ลอยมาที่หน้าเน็ตเพื่อนของฉันตั้งให้เพื่อให้ฉันกระโดดตบลงฝ่ายคู่ต่อสู้แต่ว่าวินาทีนั้นจาได้ว่าขณะที่ฉันลอยตัวเพื่อจะตบลูกบอลตัวของฉันได้ง้างมือออกไปแล้วแต่ว่าตบไม่โดนลูก ร่างของฉันก็เลยตกลงมาจําแดนแม่นว่าขาลงปกติเข่าไม่ได้กระแทกพื้นแม้แต่นิดเดียวแต่พอจะลุกขึ้นฉันกลับรู้สึกเจ็บเข่าข้างซ้ายเป็นอย่างมากเหมือนขาหักกลางอากาศอย่างไงอย่างนั้นแต่ด้วยสปิริตนักกีฬาฉันก็เลยเล่นจนจบเกม ท, ทั้งทั้ที่ขากระเพกแม้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้ชร์ชนะในการแข่งแต่ตัวของฉันเองก็ต้องถูกนําส่งโรงพยาบาลวชิระหลังตรวจหมอบอกว่า หมอนรองสะบ้าแตกก็ต้องผ่าเอากระดูกออกฉันงงมากว่าขาของฉันไม่ได้กระแทกอะไรแม้แต่น้อยทำไมมันถึงหักได้หลังจากนั้นมาขาของฉันก็ไม่ปกติและยังถูกรถชนซ้าเล่นกีฬาอะไรไม่ได้อีกเลยความหวังอยากติดทงที่หน้าอกก็สลายไปไม่มีอะไรเหลือนอกจากความเจ็บปวดทั้งจิตใจและร่างกายจากเมื่อก่อนไม่เคยเชื่อเรื่องกรรมแต่กลับเจอเข้าเอง สิ่งที่นึกถึงคือเราไปทำร้ายตะกระแตนตัวนั้นทำไมนึกถึงอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้อ่านหนังสือหรือมีใครเล่าเรื่องกรรมให้เราได้ฟังจากเหตุการณ์นั้นถึงวันนี้ผ่านมาหลายสิบปีแล้วแต่ยังคงจำวันนั้นได้อย่างแม่นยำทุกตอนในวันที่ฉันเชื่อแล้วว่ากรรมมีจริงและตามมาเร็วมากฉันจึงอยากแชร์ประสบการณ์ครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งที่ผ่านมาที่เราทำโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีทุกอย่างสามารถย้อนกลับมาหาเราได้ทุกเวลาไม่ช้าก็เร็ว